อนาปฏิวันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ5้ารภิกษุอธิษฐานภายใน1เดือน2อภิกษุผู้วิกัปวายสามภิกษุผู้สละให้ไป 4. ีภิกษุผู้มีจีวรสูญหาย5้ภิกษุผู้มีจีวรฉิบหาย6กภิกษุผู้มีจีวรถูกไฟไหมเจ็ดภิกษุผู้มีจีวรถูกจนชิงเอาไป8ปภิกษุผู้มีจีวรถูกถือเอาไปโดยวิสาสะ เก้าพิกษุวิกลจริตสิบพิกษุต้นบัญญัติตรติยะกัทถินะสิกขาบทที่สามจบ